ยลนอนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดด้วยความศรัทธา ด้วยความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระปชิมโมวา่าคือเป็นคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จจากพวกเราไปพระองค์ทรงสอนไว้ดังนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอนี่คือคำสั่งสอนทั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าซิ่งมีทรงมีความห่วงใยในสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราเป็นอย่างยิ่งกลัวว่าพวกเรา จะตั้งอยู่ในความประมาทคือจะยังไม่คิดว่าเราอาจจะต้องจากโลกนี้ไปในวันใดวันหนึ่งถ้าเราคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายัางตั้งอยู่ในความประมาทความจริงเราควรจะคิดเสมอว่าวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปนี้เป็นได้ทุกวัน เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างล่าสุดเราคงได้ข่าวเกี่ยวกับลูกอุ ก, กาบาต ท, ที่หลอมตกลงมาดีที่ว่าไม่มีใครถึงแก่ชีวิตแต่เหตุการณ์อย่างนี้หรือเหตุการณ์อย่างอื่นย่อมเกิดได้เสมอทุกเมื่อทุกเวลาทุกสถานที่เราจึงอย่าไป ให้ความมั่นใจกับตนเองว่าเราจะอยู่ไปจนแก่จนจนจนไม่มีกำลังจะอยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนขอให้เราคิดเสมอว่าเวลาของเราที่เราจะมาทำคุณทำประโยชน์ให้กับตัวของเรานี้มีแต่จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ เราจึงควรรีบขวนขวายสร้างประโยชน์ของตนและของผู้อื่นตามลำดับด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ที่พวกเราได้วนเวียนไาวตายเกิดมานับจํานวนไม่ท่วนแล้วถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้เรื่องของตัวเราเลยว่าเราเกิดมาได้อย่างไรและเราเกิดมาเพื่อจะทำอะไร เราจะไม่รู้เราจะถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าการได้มาเกิดนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราจะได้สามารถทำสิ่งต่างๆได้ตามความต้องการของเราแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราทำกันนี้ส่วนใหญ่จะให้ความทุกข์ความทรมานใจกับเราและการที่เรามาเกิด ก็จะให้ความทุกข์กับเราตั้งแต่าการต้องดิ้นรนต่อสู้ปกป้องรักษาชีวิตทำมาหากินด้วยความยากลําบากเรายังไม่ต้องมาพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายและความตายของร่างปลาร่างกายรวมทั้งการ การตายของบุคคลที่เรารักหรือของสิ่งที่เราชอบไปเหล่านี้เรามักจะมองไม่เห็นกันเราจะมองเพียงแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากเกิดมาจากการมาเกิดได้มีร่างกายที่เราสามารถเอาไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แต่เป็นความสุขเชื่ปอประฎิอุปดาวเป็นความสุขแบบควันไฟปรากฏขึ้นมาแล้วก็จางหายไปปล่อยทิ้งไว้ให้เราอยู่กับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอยู่กับความเศร้าส้อยหงอยเหงาอยู่กับความอยากความต้องการที่ทําให้เราไม่สามารถอยู่เป็นสุขได้พวกเรานี้อยู่เฉยเฉยกันไม่ได้ ทั้งๆที่การอยู่เฉยๆนี่เป็นสิ่งที่แสนจะสบายแต่พวกเรากลับอยู่เฉยๆกันไม่ได้พวกเราถูกความอยากคอยผลักดันให้เราต้องไปดิ้นรนต่อสู้หาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ทำสิ่งต่างๆที่เราอยากทำแต่ต่อให้เราทำได้มากน้อยเท่าไหร่ หามาได้มากน้อยเท่าไหร่ใจของเราก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอถ้ายังไม่มีความอิ่มความพออยู่ก็จะไม่มีวันที่จะได้พบกับความสุขที่ถาวรเราก็จะต้องนิ่นลนต่อสู้แสวงหาสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆจนวันตายพอตายไปแล้วใจของเราที่ยังดิ้น ที่ยังแสวงหายังต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็จะพาให้เราต้องไปเกิดใหม่อีกกลับมาเกิดใหม่อีกรอบทำแบบเดียวกันไปรอบหนึ่งอาจจะเป็นรอบที่ดีคือได้เกิดมาแล้วได้พบกับสิ่งต่างๆสมหวังบางรอบก็ จ, จะกลับมาเกิดแบบไม่ดีไม่ได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้ อยู่อย่างอดอยากขาดแคลนอยู่อย่างไม่สุขไม่สบายอันนี้คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ถูกความอยากเป็นผู้กดดันให้เราต้องแสวงหาสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าที่เราจะมาพบกับพระพุทธศาสนาะพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะสอนให้เรารู้ว่าพวกเรานี้หน้าที่ของพวกเราคือการมาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดมาดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆภายในใจของเราให้หมดไปเพราะเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทํากันได้และจะทําให้พวกเราได้พบกับความสุขที่ถาวร พบกับการดับทุกข์ที่ถาวรยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทามาแล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ท่งเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ปฏิบัติมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญาก็สามารถ นำเอาไปปฏิบัติทําให้ตนได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรพบกับความดับทุกข์ที่ถาวรพบกับการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ที่ปรากฏเป็นพระอาหารหันตสาวง์ทั้งหลายนี้เองท่านเหล่านี้ก็เป็นเหมือนพวกเราที่ในเบื้องต้นก่อนที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็เป็นเหมือนพวกเราที่ยังมีความอยากมีความต้องการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็หาเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้พบกับความสมหวงังคือความอิ่มความพอไม่ได้พบกับความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยความทุกข์ภายในใจ ก็จะไม่มีวันหมดไปตราบใดถ้ามีความอยากอยู่ในใจเพราะความอยากนี่แหละที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู้เห็นว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจดับความไม่สบายใจเราต้องมาหยุดความอยากภายในใจของเรา เช่นเวลาที่เราไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินพระธรรมคำสอนเราก็จะคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ทำให้เราไม่สบายใจแล้วเราก็จะไปแก้ผิดจุดเราจะไปแก้ที่คนที่ทำให้เราไม่สบายใจไปแก้นในสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจ แต่ต่อให้เราแก้ได้มากน้อยเพียงไรใจของเราก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเพราะความอยากของเรานั่นเองพอเราแก้เรื่องนี้ได้เดี๋ยวเราก็ไม่สบายใจกับเรื่องนั้นต่อเราแก้เรื่องของคนนี้ได้เดี๋ยวเราก็ไปไม่สบายใจกับเรื่องของคนนั้นต่ออีกก็ะจะต้องแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด แต่ถ้าเรามาแก้ที่ใจของเราแก้ที่ความอยากของเราอย่าไปอยากให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราปล่อยวางเขาไปยอมรับกับสภาพความเป็นจริงเขาจะดีกับเราก็ดีไปเขาจะร้ายกับเราก็ร้ายไปแต่เราจะไม่หวังเราจะไม่ต้องการอะไรจากเขา พอเราไม่ต้องการอะไรจากเขาแล้วถึงแม้ว่าเขาจะร้ายกาจกับเรามากน้อยเพียงใดเรากับจะไม่มีความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเรานั่นเองหรือว่าเขาจะด่าเราเราก็จะไม่ทุกข์ใจเพราะเราไม่ได้ไปต้องการให้เขาไม่ด่าเราหรือไม่ชมเราปัญหาทั้งหมดคือเรื่องของความไม่สบายใจ ของความทุกข์ใจของความเศร้าส้อยหม้อยเหงาของความหวาดวิตกกังวลต่างๆนี้ล้วนเกิดจากความอยากทั้งนั้นที่เราวิตกเพราะว่าเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีไม่มีอะไรเสื่อมไม่มีอะไรหมดไม่มีอะไรดับแต่ความจริงนั้นเราไม่สามารถที่จะไปะยับยัง้ง หรือไปควบคุมบังคับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ให้เสือ่อมไม่ให้ดับไปได้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปได้เวลาเกิดการเสือ่อมเกิดการดับเราก็เศร้าโศกเสียใจเสียใจทั้งในขณะที่ยังไม่ดับและเสียใจหลังจากที่ดับไปแล้วเพราะเราไม่ยอมปล่อยความอยากของเรานั่นเองถ้าเราปล่อยความอยากของเราคือ ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะเจริญหรือจะเสื่อมก็ปล่อยเขาจเจริญหรือเสื่อมไปถ้าเราปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์กับการจเจริญการเสื่อมกับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆนี่คือความจริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่มีสติปัญญาความฉลาดแหลมคมที่สามารถมองทะลุเห็นปัญหาเห็นต้นเหตุของปัญหาคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากนี้ได้เพียงพระ อ, องค์เดียวหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็สามารถยุติความอยากทั้งหมดได้พอยุติได้แล้วละความอยากได้แล้วแทนที่จะมีความ ทุกข์หรือความไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความสุขกับมีความสุขมากขึ้นเต็มเปี่ยมในหัวใจทัทง้ทงๆที่ไม่มีอะไรเลยภายนอกไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไว้คอยเสกคอยบำลุงบำเลจิตใจแต่ใจกับมีความสุขระดับบรมวสุข คือปรมามังสุขขันธอันนี้แหละคือธรรมชาติของใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันเราคิดว่าใจของเราจะมีความสุขก็ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีลาบยศสรเสริญต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะแต่ความจริงแล้วมันกลับทำให้ใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเสียมากกว่าเพราะใจเราจะเกิดความอยาก ได้บ่อยๆได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้มีอยู่เรื่อยๆ응พอไม่มีก็เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของใจของเราว่าใจของเราจะสุขอย่างแท้จริงจะสุขอย่างเต็มที่ได้นั้นต้องไม่มีอะไรเลยต้องไม่มีอะไรมาเป็นภาระให้ต้องคอยแสวงหา ต้องคอยรักษาแล้วก็ต้องมาเสียอกเสียใจหลังจากที่สูญเสียสิ่งที่รักไปนี่คือธรรมชาติของใจใจไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเพราะสิ่งต่างๆนั้นเป็นพิษกับใจไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่เป็นไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขนักปราชคนชรลาอย่างพระพุทธเจ้า จึงสละทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดทั้งๆ ท, ที่มีอย่างมากมายอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นพระราชโอรสมีพระราชรัพย์มีพระราชศาสสามฤ ด, ดูมีมีบริวารคอยดูแลคอยรับใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ทรงกลับเห็นว่าไม่ไปใช่เป็นความสุขของใจกลับเห็นว่าเป็นความทุกข์ของใจ าะจะต้องคอยคอยดูแลคอยรักษาคอยหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆนั่นเองเมื่อทรงเห็นดังนั้นจึงมีความกล้าหาญชาญชัยที่จะสละสิ่งต่างๆที่คนในโลกนี้หลงยึดติดไว้ได้อย่างง่ายดายทรงเสด็จออกจากพระรวัฒราชวังไป แล้วก็ส่งไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อระงับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเจริญสตินั่งสมาธิและเจริญปัญญาที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ความอยากต่างๆทั้งหลายหมดไปจากจิตจากใจได้ ความอยากนี้เกิดจากความคิดปรุงแต่งเวลาเราอยากจะหยุดความอยากถ้าเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้ความอยากก็จะหายไปดังนั้นหน้าที่ของเราในเบื้องต้นก็คือเราต้องมาควบคุมความคิดของเราให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปในทางความอยากเราต้องควบคุมความคิดให้คิดไปในทางความไม่อยาก ด้วยการใช้อุบายที่พระเจ้าทรงสอนเป็นเครื่องมือก็คือการเจริญสติด้วยอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่หลากหลายมีอยู่ถึง40อารมณ์ด้วยกันแต่ที่เราได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำก็คือการใช้พุทโธเป็นอารมณ์ควบคุมความคิดของเราขอให้เราระลึกถึงคำว่าพุทโธอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราละลึกอยู่แต่คําว่าพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาพอไม่มีความอยากใจของเราก็จะมีความสงบมีความเย็นมีความสุขเวลาเรานั่งหลอกตาจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ เวลาจิตสงบอย่างเต็มที่นี้เราเรียกว่าสมาธิเวลาที่เราจเจริญบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เรียกว่าเป็นการจเจริญสติก่อนที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เราต้องมีสติก่อนเพราะสติเป็นเหตุเป็นตัวที่จะทำให้ใจสงบเหมือนกับรถยนต์ที่ต้องมีเบรก ถ้าไม่มีเบรกจะไม่สามารถหยุดรถยนต์ได้รถยนต์จะหยุดได้ก็ต้องเหยียบเบรกต้องมีเบรคชันใดใจของเราจะสงบเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีสติดังนั้นถ้าเรายังไม่มีสตกิก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่ยังไม่มีเบรคถ้าไม่มีเบรคก็จะไม่สามารถหยุดรถยนต์ได้ถ้าอยากจะหยุดรถยนต์ก็ต้องไปเข้าอู่ เพื่อไปติดเบรคก่อนเหมือนกับเราถ้าเราอยากจะมีสติเราก็ต้องไปเข้าอู่อู่ของพวกเราก็คือวัดวาอารามสถานที่สงบสงัดตามป่าตามเขาที่เราไม่มีอะไรมาลบกวนใจเพื่อเราจะได้เจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเราจะได้ละเลิกถึงพุทโธพุทโธได้ตลอดเวลา ถ้าเราอยู่กับชีวิตการทํางานอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เราต้องคิดต้องทํากันเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบริกรรมพุทธโธพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องพราะเราไม่มีพุทธโธเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ไม่สามารถนั่งให้ใจสงบได้ เพราะเราไม่มีพุทธโธไม่มีเบรกนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เกิดสมาธิขึ้นมาเกิดสติขึ้นมาเราต้องหาที่สงบอยู่ตามลำพังเพื่อเราจะได้มีเวลาเจริญสติอย่างต่อเนื่องเช่นเจริญการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็เกิด ใช้ร่างกายเป็นอารมณ์ของเราร่างกายของเราไม่ว่าจะทำอะไรให้ใจเราเฝ้าดูอยู่ทุกเวลานาทีอย่าให้ใจเราไปอยู่ที่อื่นอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าใจเราเฝ้าดูร่างกายของเราตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะทำอะไรเราก็เฝ้าดูไปตลอดเวลาเวลาเรามานั่งสมาธิ เราก็เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกโดยไม่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายพอใจเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลาย ซึ่งจะทำให้เรามีกําลังจิตกําลังใจที่จะต่อสู้กับความอยากที่จะไปหาความสุขแบบอื่นได้อย่างง่ายดายเช่นถ้าเราเคยติดการสูบบุหรี่ติดการดื่มสุราถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้แล้วเวลาที่เราออกจากสมาธิมาแล้วคิดถึงเรื่องดื่มสุรา คิดถึงเรื่องสูบบุหรี่เราก็จะสามารถหยุดได้เพราะเราจะเห็นว่ามันไม่มีคุณค่าเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสมุบและเป็นความสุขที่เราต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆพอสูบบุหรี่หมดไปมวนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องหาอีกมวนหนึ่งมาสูบดื่มสุราหมดไปแก้วหนึ่งแล้ว ก็ต้องหามาอีกแก้วหนึ่งดื่มไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอแล้วถ้าดื่มไปมากๆ ก, ก็เป็นอันตรายต่อร่างกายทำให้เกิดโรคพิสุราเรื้อรังทำให้เกิดโรคตับโรคไตโรคมะเรขึ้นมาทำให้ต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยที่อันควรนี่คือโทษที่เกิดจากการไปหาความสุขจากการดื่มสุรา แต่ถ้าเรามีความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากไปได้เพราะเรารู้ว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าและเป็นความสุขที่ปลอดภัยไม่มีพิษไม่มีภัยต่อร่างกายนอกจากไม่มีพิษมีภัยแล้วยังรักษาร่างกายให้อยู่ไปมีอายุยืนยาวนาน ได้อีกด้วยพ่าเวลาใจสงบแล้วใจจะไม่ไปกระทบกระเทือนกับการทำงานของร่างกายเวลาใจเราไม่สงบเช่นเวลาเครียดนี้ใจจะไปกระทบกับการทำงานของร่างกายทำให้ร่างกายต้องหลั่งสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายต่างๆออกมาดังคนที่มีความเครียดมากๆนี้ หน้าตาจะเหี่ยวย่นจะแก่เร็วผมเเผานี้จะกรอบจะขาวเร็วเพราะใจมีความเครียดความวุ่นวายกับการทำเรื่องราวต่างๆเลยทำให้ร่างกายนี้ดูแก่เร็วและดูมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่ถ้าสามารถหยุด ถ้าเราลาออกจากงานได้ไม่มีเรื่องราวมาทำให้เครียดแล้วถ้ามาทำใจให้สงบได้เดี๋ยวไม่นานหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปจากหน้าตาที่แก่ที่เหี่ยวก็จะกลายเป็นที่หน้าตาที่หนุ่มขึ้นสาวขึ้นผมที่เคยหงอกก็จะหายหงอกเพราะจิตใจสงบจิตใจสบายจิตใจไม่ไปกระทบกระเทือน กับการทำงานของร่างกายนั่นเองนี่แหละคือประโยชน์สุขที่พวกเราควรที่จะเข้ามากระทำกันคือประโยชน์สุขทางจิตใจคือทำใจของเราให้สงบให้ได้ละความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปให้ได้ถ้าทำได้แล้วเราจะมีความสุข ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของมหาเศรษฐียิ่งใหญ่กว่าความสุขของมหาจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าความสุขของนายกรัฐมนตรีเพราะความสุขของนายกของมหาจักรพรรดนี้เป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยความเครียดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำเอามาสั่งสอนพวกเรา ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่นับตั้งแต่วันที่ตัดสรู้จนถึงวันเสด็จดับขันธปารานิพานเป็นเวลา45ปีด้วยกันพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากสั่งสอนให้สัตว์โลกมาดูแลรักษาใจของตนมาทำความสงบมาสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ภายในใจ ของตนนี้เท่านั้นพวกเราถ้าเราอยากจะทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อพระพุทธเจ้าก<ๆ>็ขอให้พวกเราทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชานี่คือสิ่งที่พระพรอองค์ทรงปรารถนาจากพวกเราก็คือการปฏิบัติปฏิบัติตามคําสอนของพ่อองค์ที่ทรงสอนให้เจริญสติให้นั่งสมาธิและให้พิจารณา ด้วยทางปัญญาเพื่อเราจะได้ทำใจให้สงบและตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ดังนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติ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 แคขคาปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ